และธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบเอ็ดลำดับที่ส2บสองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าบวชเพื่อแทนคุณเอาต่อนนื่องไป พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดปารลเรื่องพระที่บวชลูกหลานของพวกเราที่บวชในวันนี้แต่ตามไม่จริงพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพระทุกองค์น่าจะปลื้มใจเป็นอย่างมากหลวงพ่อวันนะเพราะเหตุใดเพราะว่าลูกหลานของเราได้ยอมเสียสละออกบวช บวชให้พวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาได้ยากอย่างนี้แต่บางคนบอกแล้วบอกอีกขอร้องแล้วขอร้องอีกอก็พิดเพี้ยนตามไม่จริงพวกเราในฐานะลูกหลานลูกๆทุกคนควรจะสํานึกพระคุณ ข, ของพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่อยากจะให้บวชหรือพี่น้องตระกูลของเรายังไม่มีใครบวชเลย เ, เราก็ควรจะบวช ใ, ให้พ่อให้แม่สักสามเดือน ถ้าบวชน้อยกว่านั้นหลวงพ่อว่ามันแบ่งบุญไม่ทั่วถ้าบวชน้อยเกินไปนะแต่ถ้าสามเดือนให้ตัวเองเดือนนึงให้พ่อเดือนหนึ่งให้แม่เดือนหนึ่งสามเดือนเอาคนละเดือนกันถ้าว่ามากกว่านั้นก็ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายคนละเดือนละเดือนแต่ถ้าว่าบวชน้อยเกินไปมันแบ่งกันน้อยเกินไป หลวงพ่อบวช3เดือนเลยค่นั่นอ่ะบวชให้ตนเองเดือนหนึง่งบวชให้พ่อเดือนนึงบวชให้แม่เดือนห น, นึ่งคะนี่แหละอันนี้ก็คือการบวชแต่ถึงอย่างไรก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็บวชนานได้ก็ดีนะแต่ถ้าว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมีธุระบีบจำกัดเวลาเราก็บวชเท่าที่จะเราจะบวชได้ จึงจะบวชมากน้อยเราก็เพื่อบูชาพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่า ต, ตายายสายโลหิตของพวกเรานามสกุลของพวกเราที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเร า, เาไม่ได้บวชลูกหลานไม่ได้บวชสายโลหิตของตัวเองอ น, นั้นเป็นว่ า, เ, าเป็นสาธารณธรมพก เป็นศาสนปาปถมพกคล้ายๆกับเป็นอุบาสกอุบาสิกาบำลุงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนปาปฐมพกแต่ถ้าว่าพวกเราได้บวชลูกหลานเชื้อสายโลหิตของเราบวชเข้ามาอันนี้เป็นว่าทายาททายาทของพระพุทธศาสนาคือทายาทคือเป็นผู้ที่เอาเลือดเนื้อเชื้อไขสืบทอดพระพุทธศาสนา ในครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานสามอปีพญาธรรมโศกเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ที่ว่าแผ่นดินอินเดียรภูฏเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานส0มร้อยปีพญาธรรมโศกราดสร้างท้าววรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนามีพระเจดีย์มีโบสถ์มี อะไรมากมายในยุคสมัยนั้นน ะ, เ, ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วช่างถึง 84,000 ื่่ชิ้น8 4ด0 0ือี่เดีหรือว่าสตูปหรือว่าสิ่งที่เคารพศักดิระคล้ายๆกับว่าใครมีกำลังขนาดไหนก็สร้างะนะสร้างให้เขา 84,000 พอย่างพอสร้างเสร็จแล้วก็พระยาธรรมโสกก็ประกาศว่าเออพวกเราได้สร้างท้าวร เทาทวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาบัดนี้พวกเราสร้างเสร็จแล้วจะได้ฉลองกันปยาธรรมโส็เป็นประธานในการฉลองท้าวอวัตถุเหล่านั้นพอฉลองเสร็จแล้วพระยาธรรมโสกราชก็ถามประธานสงประธานสงท่านก็ยังเป็นพระหัน์อยู่ใช่ฐานประธานสงท่านประธานพระเถระครับ พระมหาเถระครับผมกับผมได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนามากถึงขนาดนี้สร้างถาวลวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาถึง 84% ดหมื่่พันชิ้นอย่างนี้จะจัดว่าเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาได้หรือยังพระมหาเถระตอบไว้อย่างมหาบุพพิธยังไม่ใช่ทายาทยังจัดว่าเป็นศาสนูประถมพกจัดว่าเป็นศาสนูประถมพก ไม่ใช่ทายาทของพระพุทธศาสนายังไม่ถึงขนาดนั้นจะให้ขนาดไหนจึงถือว่าเป็นทายาทครับผมพระมหาเถรทัตน็ตอบว่าถ้าหากว่าพระองคอ์ได้เอาลูกสาวหรือลูกชายบวชในพระพุทธศาสนาอันนั้นแหะคือจะเป็นทายาทจากนั้นพระมายาพระธรรมโศกก็บอกว่าท่านมองไปเห็นพระมหินพระมหินโรค ลูกชายบวชให้พ่อใดไม่ลูกพระมาหินก็บอกว่าครับผมพ่อบวชได้ครับจากนั้นท่านก็บองไปหาทางนางสังคมิตตาคือพระธิดาของพระองค์นางสังคมิตตาบวชให้พ่อใดไม่ลูกได้ค่ะโดยสรุปแล้วก็คือทั้งลูกลูกสาวลูกชายก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาพอบวชแล้วกันเนี่ยนะพระมาหินก็ได้นําต้นโพลึกสร้างพระเขีื่องแก้วที่สีลังกา นี่แหละทุกวันนี่แหละอันนี้คือเป็นพระไม่เป็นที่ปฏิสถานพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าแที่ศีรษะนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราได้บวชลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาก็จัดว่าเป็นทายาทส่วนหนึ่งแต่ถือยังไงพวกลูกหลานของเราที่บวชในพระพุทธศาสนาก็ข อ, ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะลูกหลาน เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วก็ทำตนไม่ดีก็เสียตระกูลเหมือนกันนะ เ, เสียตระกูลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่นะทั้งที่บวชในพระพุทธศาสนาที่พวกคณะสัตย า, าติโยมพ่อแม่ปู่ยา่าตายายให้ได้บวชให้ดำรงทรงาศาสนาแต่บวชเข้ามาแล้วก็ทาตนไม่ดีก็ทาให พุทธศาสนามัวหมองเหมือนกันเพราะการบวชมีหลายระดับมีหลายอย่างบวชลักบวชลี้บวชหนีสงสารบวชพลานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาการบวชมีหลายอย่างบวชลักบวชลี้ก็คือมีคดีความแล้วก่อนหลักลี้หนีไปบวชนั่นเอบวชรักบวชลี้บวชหนีสงสารกับอย่างพระพุทธเจ้าเบื่อเกิดความเบื่อหน่าย เห็นอันในจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความความตายถึงจะอยู่ไปก็เท่านั้นคอยวันตายเท่านั้นท่านก็เลยหนีไปบวชไปสวดแสวงหาทางพ้นทุกข์อันนี้แปว่าบวชหนีสงสารบวชพรานเข้าสุกก็คือบวชเข้ามาแล้วไม่มีอยู่มีกินเมื่อเป็นครวญพ่อบวชเข้ามาก็พอหาเป็นทางหาอยู่หากินของตนเองบวชพรานเข้าสุกกัน บวชสนุกตามเพื่อนเห็นเพื่อนบวชก็ก็บวชก็เลยบวชไปตามเขาไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีความหวังมุ่งมั่นอะไรเลยอันนี้แว่าเอกบวชสนุกตามเพื่อนแต่แย่ที่สุดก็คือบวชเพื่อนศาสนาพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยมีที่รับมีที่แจ้งสิ่งไหนที่ไม่ควรทำตัวเองก็ทำลงไปทำให้เสียหายของพุทธศาสนาทาให เสื่อมเสียต่อวงการพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกคนด้วยถ้าว่าพระลูกพระหลานบวชเข้ามาแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะบุญกุศลก็จ ะ, เ, ะเลื่อนไหลไปสู่วงสาขนายาติท่อพ่อแม่ปู่ยา่าตายายของพวกเราเพราะอเนกสงสิลอเ น, นสงธรรมอเ น, นิสงแห่งการประพฤติปฏิบัติ ก็จะเหมือนกับเราไปสสแสวงหาทรัพย์อย่างนั้นอะ่ะเมื่อ เ, เราไปต่างประเทศไปหาเงินเราก็ส่งเงินให้พ่อให้แม่ปลูกย่าตายายแต่ทางว่าเราทําตนไม่ดีไปอยู่เราไปทํางานต่างประเทศไปก็ไปทําสิ่งที่มันไม่ดีเขาก็จับลงโทษซะเขียนหลังซะผลที่สุดทางบ้านเราก็จะได้เงินได้ยังไง จะได้สมบัติได้ยังไงเพราะเราไม่เคยโศกมาให้เพราะเหตุไรเพราะเราไปที่ต้อติดคุกติดโทษแล้วอันนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเรามาบวชในพระพุทธศาสนาทำตนไม่ดีคือเหมือนเรามาทําสิ่งที่มันไม่ดีติดคุกติดโทษเป็นบาปเป็นกรรมอ่าเป็นเรื่องทําให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียเสียหายแล้วพ่อแม่พี่น้องของเราจะได้บุญได้กุศลได้อย่างไรพเพราะเหตุอะเพราะเราเข้ามาแล้วไม่ตั้งใจสร้างคุณงามความดีเพราะนั้น การที่จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายๆนะต้องมาสู้กับจิตใจของตนเองพอสมควรไม่ใช่ว่าบวชบวไม่ใช่บวชได้ง่ายๆตามไม่จริงเราบวชเหมือนจะไม่มีอะไรนะพระสัททายาตโยมต่หาคนบวชยากนะทำไมเรามันไม่ได้มีการงานอะไรงานไม่ได้หนักอะไรแต่มันหนักใจมาภาวนาสู้ดูใจของตนเองเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดา ใครอยากจะรู้ให้มาดูก็แล้วกันไม่มีงานไหนที่จะหนักยิ่งกว่างานสู้กับจิตใจของตนเองอยากคิดไม่คิดอยากทำไม่ทำอยากพูดไม่พูดถ้ามันไม่ถูกต้องไปพูดทำไมแล้วอยากคิดก็ไม่คิดอีกต่างหากนี่แหละมันห้ามใจตัวเองขนาดนั้นจึงจะเป็นพระได้นะถ้าว่าคิดตามอาเภอใจพูดตามอาเภอใจอยากจะทำอะไรทำตามอาเภอใจเป็นพระไม่ได้ เป็นพระกับพระเลื่อนเลื่นละเล อ, เลอทะเทอะเลื่นเลนลางๆงไปจากการนั่นเองไม่ใช่พระที่มีกฎมีเกณฑ์ไม่ใช่พระที่มีศีลมีวินัยเพราะเหตุไรเพราะทาําตามอําเภอใจทําตามอัธยาใจทําจากตัวเองอยากจะทําเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็อยากจะพูดนอกประเด็นสักหน่อยก็คงตรงที่ เดี๋ยวนี้คนประนามพระพุทธศาสนาพระไม่ดีอย่างนั้นพระไม่ดีอย่างนี้ฮะเอตามไม่จริงมันก็ไม่ดีอย่างที่เขาพูดนั่นแหลอแต่ว่าเราก็ไปได้เอาพระอรหันต์มาบวชเนี่ยเราก็เอาคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบมีกิเลสโลภโกรธหลงมาบวช ด, ด้วยกันแต่พอมาบวชแล้วเขาไม่ตั้งใจเขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้มาขัดเกลว์เขามาเลยก็เอาใช้กิเลสอย่างเก่า เมาใช้ในวงการพระพุทธศาสนาก็เลยทําให้วงการพระพุทธศาสนาเสียหายเสื่อมเสียได้ง่ายเพลัรเพราะว่าอายู่ใฟอร์มอันนี้นะี่ผ้ากาสาวพัฒน์นี่ยโปงศีษะนี่อันนี้แหละคืออยู่ใฟอร์มนี่นะแต่ถ้าทําดีมันก็ทําดีได้ง่ายถ้าทําชั่วก็ทาชั่วได้มาก เ, าเหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ถึงยังไง ไอ้ผู้ที่จะมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยพวกเราควรจะกันกรองอย่างที่หลวงพ่อได้ดูพระที่จะบวชในวันนี้เหมือนกันหลวงพ่อก็ให้พระพระพี่เลี้ยงช่วยดูกวดการไตรตรองดูว่ามีนิสัยเป็นยังไงดีไหมหลวงพ่อก็กันในระดับหนึ่งจากนั้นก็จนได้ถึงกับบางปีแต่ปีนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ถามเพาตรวจโรค ตรวจเลือดหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะลุงพ่อไม่ได้ปล่อยปะละเลยทําไมจึงตรวจแต่ทางโลกเขาทำไมจึงไม่ตรวจทางมหาเถระสมาคมเขาว่าควรจะตรวจเพราะเหตุไรเพราะว่าเพราะพิกษุบวชในพระพุทธศาสนานี่ยบวต ด, ด้วยศรัทธาอยู่ด้วยศรัทธาพี่น้องประชาชนไม่ใช่อยู่ด้วยเงินเดือนของ ภาษีของพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยศรัทธานะถ้าหาว่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรถ้าคนไม่มีศรัทธาเนะพราะนั้นพระสงฆ์อยู่ด้วยศรัทธาพี่น้องประชาชนเพราะนั้นจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมพระที่ไปยืนตีลองค์อยู่ข้างนอก ยืนเรียงกันสมองค์พระอาจารย์ก็ไปสวดถามว่าถามอันตรายยะกระทำปุตทั้งในเจ้าเป็นขี้ทูดไหมกันโทเจ้าเป็นกระเทยไหมกีลาโสเจ้าเป็นขี้กากไหมเออมนุษย์โสสิเจ้าเป็นมนุษย์ไหมยังถามอีกนะถามต่อหน้านะเพราะเหตุอะไรอันนั้นแหละคือถามอันตรายยะกระทำเจ้าสมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ไหมถ้าบัญญัติไว้เออนี่ยล่ะ เจ้าจึงบวชได้นะอันนี้คือการถามเป็นคําสัตว์คําจริงนะนี่แหละคือไปถามข้างนอกนะคือถามข้างนอกคล้ายๆกับไปถามเป็นส่วนตัวนะแต่ก็ถามอาจารย์ถามดังไปสักหน่อยนะพูดเสียงดังไปสักหน่อยไอ้พวกเราก็ได้ยินไปทั่วแต่ถามเป็นความลับนะ เ, เป็นพระบาลีถามเป็นความลับนะออับปมาโลเจ้าเป็นบ้าหมูไหมอย่างนี้แหละแต่ไอ้หน้าเขาบอกว่า นัตถิพันเตนัตถิพันเตไม่ใช่ครับผมไม่เป็นครับผมไม่เป็นครับนัตถิอามะพันเตก็คือา ม, านมนุษย์โซเซเจ้าเป็นมนุษย์ไหมอามะพันเตครับผมเป็นมนุษย์ฮะอนุญาโตัวซี่มาตาปิทุตัหิเจ้าได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาได้ยังได้รับแล้วครับผมเนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหล ะ, ค, ะคือการถามอันตรายยึกกระทของพระในพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องที่จะมาบวชก็เหมือนกัน ไอ้พวกเราที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คนจะกันกลองไตรตรองดูให้ดีซะก่อนกินนําลูกของพวกเราลูกหลานของพวกเรามาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่ออยากจะฝากจุดนี้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละไอ้ไม่ใช่ว่าเราพ่อแม่เอามาอยู่แล้วเหลือขอแล้วอติดเหล้าติดยาติดคัญชา่ายยาฟินเต็ดติดยาบ้ายามา้าจนเอาไม่อยู่จากนั้นเอามาฝากไว้ในพระพุทธศาสนา แล้วพระสงฆ์จะเอาอยู่ได้ยังไงล่ะสิเพราะมันคนเลวเลยคนไม่ดีถ้าเมื่อเมือเข้ามาบวชแล้วก็ทําตนไม่ดีพอทำทำตนไม่ ด, พมดีพวกเราก็ประนามเลยสิพระไปดีจะพุ่นพระไม่ดีเป็นของใครนะเป็นของพี่น้องประชาชนของศรัทธาญาติโยมเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าให้ช่วยกันดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพุทธาศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพุทธบริษัท4คํคำว่าบริษัทคำนี้น่ค่ยๆว่าเป็นบริษัท้างร้านบริษัทจำกัดบริษัท ต, ตั้งขึ้นมาเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธะพวกเราเข้ามาจินดีนับถือเลื่อมใสในบริษัทของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อเราเข้ามาในกฎเกณฑ์นี้แล้วเราก็ควรจะอยู่ในกฎระเบียบ ของบริษัทที่ตั้งมีกําหนดเอาไว้สําหรับคารวาสญาติโยมก็มีศิทธ่าสินแปดพระสงฆ์กับินสองรอยี่สิบเจ็ดอันนี้แหละคือพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสี่ก็คือภิกษุสัมมเนรอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนเนะทั้งเป็นฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็ดีเอเมื่อลูกชายเข้ามาบวชแล้วก็ ในพรรษานี่ก็ไหว้พระสวดมนต์ย่าได้ขาดถ้าเป็นไปได้ก็นั้นแหละงดปูรีงดเหล้าอ่าแล้วก็มีศีลห้าด้วยก็ยิ่งดีในพรรษานี้หรือใส่บาต ท, ทุกวันก็ได้นะใส่บาตพระสงฆ์ที่ผ่านหน้าบ้านทุกวันวันละองค์ละองค์ก็ได้เพื่อใส่ให้ลูกชายของเราหนะักแต่ลูกชายของเราไม่มีปัญหาหลวงพ่อเลี้ยงเองมาฝากกับหลว ง, ลวงพ่อแล้วพวกเราไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานเหล่านี้นะหลวงพ่อจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดนะแล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อก็จะให้พระเนนของหลวงพ่อช่วยกันดูพ่โรงพยาบาลอยู่ก็อยู่ใกล้ๆไม่ต้องห่วงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็หลวงพ่อก็จะบอกให้พี่ให้น้องอให้วงศาค้าราชาได้รับรู้รับทราบว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร เออเพราะวัดของเราไม่ใช่วัดลีลีลับๆนะวัดเปิดวัดเผย ว, วัดปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมผู้ที่เขามาอยู่ในวงการพระพุทธศาสนาเนี่ยเออให้ตั้งอกสั้งใจประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อได้อยู่ได้ชั้นยังไงอยู่ยังไงก็ดูแลพวกลูกห ล, กลานไม่มีที่จะ เ, เรื่องที่เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างนั้นะพวกเราเลี้ยงลูก ตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะ่นนะจนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนมีครอบครัวมีพ่อแม่คนใดบ้างว่าสิชิติการเลี้ยงลูกแต่ละคนนี่ใช้เงินเท่าไหร่ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ละคนไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะดูที่จะมีค่าใช้จ่ายลูกของตนเองเพราะอะไรเพราะความรักลูกความรักลูกจะ ย, ยิ่งกว่าเงินคาทรัพสมบัติ นี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะครูบาอาจารย์อย่างพระอุปัชฌาย์เหมือนกันหลวงพ่อเหมือนกันที่เป็นเจ้าของวัดนะเนี่ยเวลาลูกหลานเข้ามาบวชมาอยู่ด้วยเนะี่ยหลวงพ่อไม่เคยคิดว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไร ي, เดือนนี้เท่าไเดือนนั้นเท่าไร ي, องค์นั้นเก็บไข่ได้ป่วยเท่าไหร่หลวงพ่อไม่เคยคิดเพราะว่าอันนี้คือทายาทอันนี้คือลูกของหลวงพ่อคือทาญาติผู้จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้า ที่ได้จะตกปัจจัยมาก็ได้มาเพื่ออะไรได้มาเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาดำรงทรงอยู่ได้นานเท่านานเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรทั้งหมดค่าใช้จงค่าใช้จ่ายมีอะไรหลวงพ่อไม่ได้เรียกไม่ได้ร้องอะไรมาอยู่เราเออลูกหลานดูขาดเลือดขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไร ่วิธีการอยู่โดยกันอยู่ด้วยกันยังไงให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันนะพระลูกพหลานน้องหนุ่งทางหลายนะให้เมตตารักกันไว้นะให้มีน้ําจิตน้าใจต่อกันนะไอ้ความโง่ความฉลาดมันมีอยู่ในจิตในใจของพวกเราขนาดนิ้วมือของเราก็ยังมีนิ้วสั้นนิ้วยาวนิ้วใหญ่นิ้วเล็กไ อ, อ้พวกเราเกิดมากอย่างนี้แหละมาอยู่ด้วยกันไอ้มีงดมีความโ ง, มมง่มีความฉลาดมีบางทีกโมโหโกธากันบ้าง แต่จะให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยหลวงพ่อจะใช้มาตรการเด็ดขาดนะหลวงพ่อจะบอกอย่างงั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ อ, อยู่ด้วยกันสันพี่น้องนะรักเมตตากันไว้ต่อไปภายภาคหน้าพวกเราบวชมาในตำนักของหลวงพ่อรุ่นไหนรุ่น 2,556 นรอรุ่นพันษาอยู่ ด, ด้วยกันเนกะี่องค์สิอง์บวชด้วยกัน พวกเราก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นพักเป็นพวกไปอยู่ในสถานที่ใดก็เรียกหากันได้เพราะเป็นรุ่นเดียวกันเพราะว่าเรามาได้ศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันได้เมื่อเมื่อคราวจําเป็นของพ่ออยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเรามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไม่ใช่ออมาแล้วก็ทะเลาะเบาะแวงกันตั้งโกงตั้งแก๊งตั้งกดตั้งหมู่ แบ่งพักแบ่งพวกไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะในวัดหลวงพ่อนะให้เหมือนกับพี่น้องเหมือนอวัยวะอันเดียวกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นคณะัทธายญาติโยมพ่อแม่ของพระใหม่ไม่ต้องห่วงนะหลวงพ่อจะพยายามดูพระลูกพระหลานของหลวงพ่อให้ดีที่สุดแล้วก็จะอบรมแนะนำสั่งสอนให้รู้จกักศีล้รู้จักธรรมให้รู้จักบุญคุณของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายให้รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรแล้วก็จะพยายามแนะนำสั่งสอนสิ่งไหนที่มันดีคิดดีทำดีพูดดีหลวงพ่อจะพยายามให้ลูกหลานเหล่านี้นะเป็นคนดีเป็นพระดีะต่อไปภายภาคหนาวันนี้หลวงพ่อได้บอกกล่าวแนะนำยาวนานพอสมควร ขอจุติเอาเตรียมกรวดน้ําำในนีน้นะกวดน้าบุติศสวนกุศล น, นะคณะสัตยาติโยมพ่อแม่ญาติติโกโหติกาของนาคนะอุทริษส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ญาตายายบ่งสาคณะญาติญาติาพิศสหาหิเจ้า ก, กํานายเวรพวกเราบวชทาญาติไว้ในพระพุทธศาสนาให้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานเท่านานพระพุทธเจ้าท่านวางศาสนาไว้ห0 0พันปี ถ้าบอกมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่พระพุทธศาสนาไม่ต้องถึงว่า 5,000 ปเออีเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์พวกเราจะให้พระพุทธศาสนายืนยาวนานน ะ, ะต่อจากนี้ไปพระอุปราชจะเป็นผู้อนุโมทนาให้พร